พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการสํารวมตาเป็นความดีอ่าอย่าลืมนะสํารวมมีกี่อย่างสํารวมมีกี่อย่างห้าอย่างหนึ่งสำรวมด้วยศีลสองสำรวมด้วยสติสามสำรวมด้วยปัญญาหรือวญาณนะสามสำรวมด้วยวิริยะแล้วก็สํารวมด้วยขันตินะสํารวมห้าอย่างเนี่ยสำรวมตาเนี่ยมองเห็นแล้วห้าอย่างเกิดนะสำรวมตาสํารวมหู สำรวมตาเป็นความดีสำรวมจมูกเป็นความดีสัรวมลิ้นเป็นความดีสำรวมกายเป็นความดีนะกายที่รับด้วยแล้วก็กายที่แสดงออกมาด้วยความสำรวมวาจาเป็นความดีความสำรวมใจเป็นความดีบุคคลเมื่อสำรวมทวารทั้งปวงพ้นจากทุกข์ได้นะนะถ้าอยากปฏิบัติทำให้มันง่ายๆนะก็ศึกษาเรื่องทวารให้เข้าใจาก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็จะทาให้รู้เรื่องของอริยสัจมากขึ้นเนาะ อริยสัตว์นี่พนตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมไม่พ้นแล้วเพราะอริยสัตว์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละทีนี้ในพระสูตรกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลพึงรู้การได้ด้วยกระถาสัมปโยคะกระถาสัมปโยคะเนี่ยนะอารยกระถาท่านแปลนหน้านู้นบอกประคารมเขาว่าไงพูดคุยกันนั่นเองนะทีนี้ เวลาพูดคุยกันหรือปรารารมกันแล้วจะรู้ว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนานะมาดูว่าเวลาพูดคุยกันปุ๊บรู้เลยว่าใครเป็นคนควรคุยด้วยหรือไม่ควรคุยด้วยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่แก้ตรงซึ่งเอกังสะพยาการณียปัญหาคือปัญหาที่แก้ตรง ปัญหาเนี่ยคำถามตรงๆแต่ไม่ตอบตรงๆอ่ะลักษณะนั้นนั่นก็เป็นบุคคลที่ไม่ควรพูดด้วยเหมือนกันคําว่าเอกังสะพยากรณีย์ปัญหาเรียกว่าปัญหาที่จะต้องแก้ตรงๆก็คือปัญหาที่ว่าจากักรสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะจกักรสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงการตอบอย่างนี้เรียกว่าเป็นการ ตอบโดยส่วนเดียวรหรือเรียกว่าตอบแบบตรงๆเลยนะเพราะว่าจักษุไม่เที่ยงหรือควรตอบว่านะควรตอบโดยส่วนเดียวว่าถูกแล้วจักษุไม่เที่ยงในอินทรีย์ทั้งหลายมีโสตตาเป็นต้นก็ในยะนี้ใช่ไหมหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงจมูกลิน้นกายใจเที่ยงในในหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะียอว่าเป็นปัญหาที่ควรตอบโดยส่วนเดียวหรือว่าตอบประเด็นเดียวเท่านั้นไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงอย่างเงี้ย แต่ถ้าหากว่าไปคุยกันแล้วเนี่ยปัญหาที่ควรตอบประเด็นแบบนี้ไม่ตอบมีหนึ่งนะสองไม่แก้จำแนกซึ่งวิพัชชพยาการณียปัญหาคือปัญหาที่จะต้องแก้แล้วก็จำแนกปัญหาที่จะต้องแก้หรือว่าจะต้องจำแนกตอบนี้ก็คือแต่ถ้าหากว่าผู้ถูกถามถามว่าจักสุชื่อว่าไม่เที่ยงหรือ ก็ควรแยกตอบอย่างนี้ว่าไม่ใช่จักสุอย่างเดียวที่ไม่เที่ยงแม้โสตาก็ไม่เที่ยงนะคาณะก็ไม่เทียนะเท่ยงชื่อว่าเป็นปัญหาที่ต้องแยกตอบคือคล้ายกระถามว่าเอตาอย่างเดียวใช่ไหมที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่ใช่ตาอย่างเดียวหู ด, ด้วยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่เรียกว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแยกตอบแล้วก็สมก็คือเป็นย้อนถามแล้วจึงแก้ชื่อว่าปฏิปุจฉา พยากรณียะปัญหาปัญหาที่จะต้องย้อนถามแล้วจึงแก้นะปัญหาที่จะต้องย้อนถามแล้วแก้ก็เหมือนกับที่เขาถามว่าโสตานี่เหมือนกับจักษุหรือว่าจักษุเหมือนกับโสตหรือตากับหูเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมนะถ้าเราจะตอบต้องตอบว่าควรย้อนถามเขาว่าท่านถามโดยความหมายอย่างไรนะ เมื่อเขาตอบว่าเราถามหมายถึงการเห็นนะตากระหูเห็นเหมือนกันใช่ไหมอ่านะเขาบอกว่าตากระหูเหมือนกันใช่ไหมเขาถามอย่างนี้ก่อนทีนี้ก็ต้องถามว่าท่านหมายคำว่าอย่างไงหมายคำว่าตากระหูเห็นเหมือนกันใช่ไหยถ้าเขาตอบว่าใช่อันนี้ไม่ไม่เหมือนนะหรือบอกว่าแต่ถ้าเขาตอบว่าผมหมายถึงว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงตากระหูไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมอันเนี้ตอบได้เลยว่าใช่ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นปัญหาที่จะต้องย้อนถามแล้วจึงตอบหรืออีกระยะหนึ่งก็คือพยายามที่จะถามว่าไอ้ที่เขาพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรหรืออีกในหนึ่งก็คือซักปัญหาให้มันเข้าใจก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะไม่ฉลาดผูกอ่าก็ไดว่าไม่ฉลาดถามเราก็ต้องถามคำถามดูก่อนว่าที่เขาถามเนี่ยเขาอยากรู้อะไรกันแน่ไม่ ง, งั้นเราเรียบนะปี๋ผามตอบเลยผิดเลยนะ ทีนี้ต่อไปนะก็คือบางอย่างเป็นปัญหาที่ควรยกเลิกเขาเรียกว่าทปัญญปัญหาไม่ควรตอบโดยส่วนเดียวเลยเช่นเขาถามว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือชีวิตก็อันนั้นอัตตาก็เป็นอันนั้นหรือนะคำถามเกี่ยวกับลัทธิเกี่ยวกับทิฏฐิบางอย่างอันนี้ไม่จําเป็นต้องตอบนะเช่นตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยใช่ไหมชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นอย่างเงี้ย ปัญหาบางอย่างไม่ไม่ควรตอบสมมุติถ้าหากว่าถ้าเขาถามมาตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกถ้าเขา ikke, ไม่เข้าใจเรื่องกรรมนะเราตอบยังไงเขาก็ <ừ. S 1> the, ต้องเข้าใจผิดอยู่ดีตอบว่าตายแล้วเกิดอีกเขาก็เข้าใจผิดตอบแล้วตายแล้วศูนย์ก็เข้าใจผิดเพราะเขาเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้ า, ถา problema, JI, uh, จะอ ah, ธิบายเรื่องตายแล้วเกิดเป็นต้นนั้นก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องกรรมว่าอะไรเกิดอะไรตาย ตายเกิดเนี่ยมีความหมายแค่ไหนขอบเขตอย่างไรนะก็ต้องอธิบายเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่จาแนธ น, นะเวลาคุยกับใครแล้วมีคำถามแบบนี้สี่อย่างเนี่ยแล้วคนเนี่ยไม่แก้แบบนี้บุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาด้วยนะก็คือเรียกว่าตอบไม่ตรงประเด็นอะ่ะสี่อย่างเนี่ยควรตอบสี่อย่างคือหนึ่ง ควรแก้ตรงๆสองควรแยกตอบสามควรย้อนถามสีไม่ควรตอบแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติตามหลักอันนี้บุคคล น, นั้นไม่ควรเจรจาด้วยไม่ควรคุยด้วยถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วแก้ตรงซึ่งเอกังสาพยากรณียปัญหาเรียกว่าแก้ตรงๆไปเลยหรือจำแนกซึ่งวิพัฒ ช, ชะพยาการณียปัญหา หรือย้อนถามแล้วจึงแก้ชื่อว่าซึ่งปฏิปุชชาพยากรณียปัญหายกเลิกซึ่งท่ปัญยะปัญหานะบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ควรสนทนาด้วยนะเรียกว่ารู้หลักในการสนทนาอันนี้ก็เป็นบุคคลที่ควรสนทนาด้วยเหมือนกันอันถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าใครควรสนทนาไม่ควรสนทนานะศึกษาธรรมะอย่างนี้แล้วไปเที่ยวก็คุยกับคนอื่นไม่แน่ น, นะที่เขาอาจจะ ตัดยาดขัดนิดไปเลยก็ได้ปัญหาธรรมะไม่ใช่ว่าคุยได้ทุกทุกแห่งหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยนะเขาเข้าใจเป็นอื่นอยู่แล้วเราบางอย่างตอบแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรดูกอนพิสูจนทั้งหลายบุคคลพึงรู้การได้ด้วยกระถาสัมปโยคะก็คือการพูดคุยการปรารมก็คือว่าเป็นบุคคลควรสนทนาหรือไม่ควรสนทนาอีกประเภทหนึ่งก็คือ ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่มั่นอยู่ในฐานะและอาฐานะไม่มั่นอยู่ข้อที่ควรกำหนดไม่มั่นในวาทาผู้อื่นไม่มั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาน่าคล้ายว่าไม่มั่นคงอะไรสักอย่างเลยนะเอ็นไปทางไหนก็ไปหมดก็เหมือนกับไม่ไผ่ใช่ไหมแล้วแต่ลมมันจะพัดไปนั้นคาพูดของบางคนก็ลักษณะเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่ควร สนทนาด้วยแต่ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหามั่นอยู่ในฐานะและอาฐานะคือมั่นอยู่ในเหตุและไม่ใช่เหตุมั่นอยู่ในข้อที่กำหนดไว้มั่นอยู่ในวาทะของผู้อื่นมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลควรสนทนานะที่เคยได้ยินนะว่าเอ๊ะขึ้นต้นผูกเรื่องเป็นอย่างนี้ใช่ไหพอป ล, ปลายเรื่องไปที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นคนที่ไม่ควรสนทนาด้วยเหมือนกัน ถ้าเราไม่รู้หลักอันนี้นะบาีคุยแล้วฟุ้งซ่านเปล่าเพราะบางอย่างนะถ้าไม่ไม่พูดไม่คุยนะเอ้ฟุ้งซ่านมันจะลดนะแต่ถ้าไปคุยเรื่องบางเรื่องอ้กลับมานอนเอ้ยยังฟุ้งซ่านต่อไปอีกถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรคุยแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะว่าเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดกลบเกลือง นะพูดกลบเกลื่อนนอกเรื่องนอกทางแสดงความคุนเคืองความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนานะนะพูดพวกนอกเรื่องนอกราวอยู่เรื่อยใช่ไหมไปไหนมาอย่างเงี้ย <c oughs> โอกินข้าวแล้วล่ะอย่างเงี้ยคนลังงานเลยอะคนประเภทนี้ก็ไม่ควรคุยด้วยเหมือนกันําพูดเหมือนกับปลาไหลนะดิ้นไปเรื่อย หรือว่าคุยแล้วก็แสดงความโกรธให้เห็นชัดเลยคนอย่างนี้ก็ไม่ควรสนทนาด้วยเหมือนกันถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่นอกเรือไม่นอกเรื่อ ง, ไ ม, อองไม่นอกทางไม่แสดงความขุนเคืองความโกรธเคืองความแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลที่ควรสนทนา ดวยการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะว่าเป็นบุคคลที่ควรสนทนาหรือไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดพร่ำพูดเหยียบย่ำพร่ำหัวเราะคอยจับคำพลาดบุคคลชนิดนี้ก็เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาด้วยนะพร่ำไปเรื่อยหรือบางทีก็เหยียบ <c oughs> เหยียดยาำมันนะพูดไปหัวเราะไปคอยจับคำพลาด เรีกว่าหาช่องที่จะเสียบกันลักษณะนี้ก็เป็นเป็นที่ที่ที่ไม่ควรสนทนาด้วยเหมือนกันถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ำไม่พร่ำหัวเราะไม่คอยจับคําพลาดบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลที่ควรสนทนาด้วยนะดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะนะ ว่าจะเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยหรือบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจนะก็เรียกว่าพอคุยกันปั๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่าเป็นคนที่มีอุปนิสัยหรือไม่ก็บอกว่าผู้ไม่เงียบโสดคอยฟังเป็นบุคคลที่ไม่มีอุปนิสัยปัจจัยเวลาอันนี้ก็คือพูดถึงหลักลักษณะของการแสดงธรรมเหมือนกันนะว่าใครมีอุปนิสัยที่จะได้ดีบ้างหรือไม่มีอุปนิสัยก็สังเกตจากว่า เขาสนใจฟังขนาดไหนถ้าเขาไม่สนใจฟังแสดงว่าเขาไม่มีอุปนิสัยแต่ว่าสำรวจตัวเองหมดแล้วนะแปลว่าสำรวจที่ตัวเองหมดทั้งวิธีการหลักการเวลาความเหมาะสมอะไรเนี่ยใช่ใช้หมดแล้วพูดมีเหตุมีผลพูดไพเราะเหมาะแก่การเป็นต้นพูดคำสัตย์คำจริงถูกเวลาถูกอะไรหมดแล้วเสร็จแล้วเขาไม่เงียบโสดลงฟังอันนี้แสดงว่าเขาไม่มีอุปนิสัยเรื่องนั้นใช่ไม เมคล้ายๆว่าเวลานี่ได้เรื่องแล้วล่ะพอพูดอภิธรรมปั๊บเนี่ยนั่งง่วงเลยถ้าแสดงว่าเขาไม่มีอุปนิสัยเลยอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยอย่างทูดนี่นะครับเขาไม่ได้ตอบตรงๆนะจะถือว่าอ่าคนพูดโดนหรือเปล่าครับยังถามว่าไปหรือไม่เงี้ยครเขาก็เฉยเหรือรักหรือไม่เขาก็ไม่ตอบอย่างนี้ก็ควรจะไปเจรจาคนอื่นต่อไปอนียก็ก็เป็นเป็นคนที่ไม่ควรคุยด้วยนะครับผม อันนี้เพราะว่าของเรานี้เป็นไม่ใช่การค้านะเพราะว่าการพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพื่อเจริญงอกงามแห่งกุศลจิตต่อไปแต่ถ้าเป็นลักษณะของการค้ามันก็จะอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมก็ไปศึกษาวิธีการว่าแต่ถ้าเขาไม่พูดเขาไม่สนใจเนี่ยจะจะต้องทํำยังไงต่อไปเหมือนกับพวกประกันน่ะพวกเซล์พวกประกันพวกอะไรต้องไปศึกษาวิธีการพูดการอะไรนะเขาจะเรียกว่าขายประกันเลยต้องขายเอากระดาษใบเดียวไปอ่ะต้องเรียกว่าขายประกันเนีย เพราะฉะนั้นพวกนั้นก็ศึกษาวิชาแบบนั้นเป็นศาสตร์ของเขาไปแต่ของเราเนี่ยถึงเขาไม่สนใจเป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาแล้วก็ยังเตย อ, อยู่นั่นแหละไม่นานเราก็ฟุ้งซ่านเองา็ปาอันนี้เป็นเพื่ออย่าลืมว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมคือพูดไปแล้วจิตดีขึ้นอะ่ะแต่ถ้าพูดแล้วจิตไม่ดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วนผู้เงียบโสดคอยฟังเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยแต่ถ้า พูดแล้วไม่สนใจฟังเลยนะอ่านะถ้าเป็นพระเนี่ยก็บอกว่าท่านไปหาเดินจงกรมนั่งสมาธิเถอะไปเทศเลย <c oughs> <c oughs> เขาไม่สนใจฟังแล้วนะเขาเป็นลักษณะนั้นจริงๆนั่นแหละเพราะไม่งั้นอ่ะจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคนพูดก็อุตส่าห์พูดพูดแล้วเขาไม่ฟังเสียออกเสียใจไอ้คนฟังก็มานั่งต้องทนนั่งฟังอีกเสียเวลาอีกมันจะมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นหลักการสนทนาธรรมพระองค์กล่าวว่า ประโยชน์ของการสนทนาธรรมหรือการฟังธรรมหนึ่งผู้แสดงย่อมได้อัตยรตได้ธรรมรตนะผู้ฟังก็ได้อัตยรตได้ธรรมรตทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังก็ได้อัตยรตธรรมรตนั่นจึงจะเป็นเป็นการถูกหลักแต่ไม่ใช่โอ้โหคนแสดงเนี่ยพูดจบปั๊บหน้าดำขมเครียดกลับไปคนฟังเนี่ยหน้าปฟัดกาะเฟียดกลับไปเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ธรรมะแล้วเป็นอกุสลาธรรมะ <c oughs> มีโทษแบบนั้นอะไม่ดีทีนี้บุคคลนั้นเป็นผู้อุปนิสัยปัจจัยนะคนที่มีอุปนิสัยปัจจัยย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่งนะธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเห็นจริงคืออะไรอุส ร, รธรมนะ ร, ร, ธรมนะอุสธรรมทั้งหมดนี้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเป็นธรรมะที่ควรเห็นจริงย่อมกาหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่ง ธรรมะที่ควรกำหนดรู้คืออะไรธรรมะที่คนกําหนด ร, ร, ร, ร, รู้ได้แก่อะไ ร, ระทุกขสัจเป็นธรรมะที่ควรกําหนดรู้อกําหนดรู้เนี่ยปแปลเป็นบาลีว่าปริญญ า, ป ร, ญญาปริญญามีกี่อย่างสามอย่า ง, าางคือหนึ่งญาตะปริญญาการรู้ทุกขสัจพร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่ายาติปริญญารู้จักขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่านะเอ า, นะเอามั้ย ถ้าพูดถึงอายตนะพร้อมทั้งปัจจัยนี้เป็นอะไรปริญญาข้อไหนยาตาปริญญานะพูดทุกขกับสมุทัยนี้ก็เป็นลักษณะของยาตาปริญญาพูดธาตุพร้อมทั้งปัจจัยเป็นอะไรยาตาปริญญ า, า, ญญาถ้าพูดตาพร้อมทั้งปัจจัยเป็นยาตาปริญญ า, า, ญญ า, าใช้ได้แล้ว <c oughs> เวทนาเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เกิดด้วย ด้วยอะไรด้วยปัจจัยปัจจัยของเวทนาคือภาษาถ้าภาษะไม่มีเวทนามีมไหมนะแสดงว่าเวภาษเออเวทนานี่มีภาษะเป็นปัจจัยถ้าบอกว่าถ้าเวทนาไม่มีเพราะไม่มีภาษะเนี่ยนะลักษณะนี้เป็นปริญญาข้อไหนภาษาเพราะอะไรมีภาษามีเพราะอะไรมีมมเพราะสามอย่างไปชมกัน หรือการประชุมพร้อมของสามอย่างจึงมีภาษะถ้ามโนสัมผัสเนี่ยนะมีอะไรประชุมพร้อมมโนสัมผัสนี่มีอะไรประชุมพร้อมหนึ่งมโนสองธรรมะสามมโนวิญญาณความประชุมสามอย่างนี้เป็นเรียกว่ามโนสัมผัสเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา น, นี้ลัดออมาข้อสุดท้ายนะ คำถามคำถามสมัยใหม่เขาครอบเอาเป็นข้อๆไม่ใช่หนึ่งสองสามคืออะไรนักทํารุ่นรุ่นใหม่ๆนี่ออกมาเนี่ยจะขอ้อสมมุติว่าอินซีมีห้าอินซีข้อสีได้แก่อะไรอย่างเงี้ยก็ถามแบบนี้เลยเนะนะตอบยากเนาะหนึ่งสองสามนี่ก็ยังจะยากอยู่แล้วนั้นการพิจรารณา โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นในทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์อันนี้เป็นลักษณะของตรีรณปริญญานะเช่นว่าการพิจารณาสมมติยกตัวอย่างว่าโหนะโหเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไอเที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นว่าโดยความเป็นอัตตาไม่ควรเพราะฉะนั้นจากสูตนะเออโสตะนะโหเนี่ยมีทั้งชาติ คําเกิดมีทั้งชรามีทั้งพยาธิอาศัยหูจยทำให้เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาอาศัยหูทำให้เกิดกิเลสเป็นต้นพวกการพิจารณาลักษณะนี้เป็นตีรณะปริญญานะถ้าตามเห็นโสตะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอะไรปริญญาเขาบอกว่าถ้าเห็นโดยความไม่เที่ยงนะ ละนิตจะสัญญาได้นะละความสำคัญว่าเที่ยงละความคิดว่าเที่ยงละความเห็นว่าเที่ยงได้ถ้าตามเห็นหูโดยความเป็นทุกข์ละอะไรได้ละสุขสัญญาความสำคัญว่าสุขได้นะละความสำคัญว่าสุขได้ละความคิดว่าสุขได้ละความเห็นว่าสุขได้วิปลาสมีกี่อย่างหนึ่ง สัญญาวิปลาสสองจิตาวิปลาสสามทิฏฐิวิปลาสนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าละเช่นละสุขสัญญาหรือว่าสัญญาวิปลาสอย่างเงี้ยก็เท่ากับละจิตาวิปลาสด้วยละทิฏฐิวิปลาสด้วยเนาะไม่เป็นไรฟังธรรมะหมวดอื่นๆแซมแซมไปด้วยจะได้คุ้นๆนะวันหลังจะได้ง่ายหน่อยบอกว่าฟังธรรมถ้าเข้าใจหมดก็เก่งกว่าคนพูดอีกเพราะคนพูดยังก็เข้าใจยังไม่ทันหมดเท่าไหร่เลยนั่นนหะ จริงนะบางทีก็มาพูดแล้วจึงเข้าใจก็มีเรื่องมันพาไปเลยเออเข้าใจเรื่องนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคนฟังนะไหมเออพอพูดแล้วเข้าใจบางอย่างขึ้นอ่ะแสดงว่าได้ได้อัตถรสได้ธรรมรสเห็นนั่นนี่ส่แล้วเะฉั้นปริญญานั้นมีอยู่สามอย่างก็คือปริญญาสามทำปริญญาเพื่อเพื่อรู้อะไรปริญญานี้เป็นธรรมศาสตรความรู้ เป็นชื่อของความรู้หรือเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งถามว่ารู้อะไรรู้ทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์อันทำปริญญาในทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็คืออะไรขันธะอริยตนะนั่นเองนะเปลี่ยนจำนวนใหม่อย่อมละธรรมะอันหนึง่งธรรมะที่ควรละได้แก่อะไรธรรมะที่ควรละได้แก่อคุศนทุกชนิดเนี่ยควรละนะ ธรรมะที่ควรทําให้แจ้งได้แก่อะไรธรรมะที่ควรทําให้แจ้งเลย อ, อรหัตตมัคใช่ไหมอันอรหัตตมัคเนี่ยควรทําให้แจ้งเมื่อรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่งคือกุศลควรกําหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่งคืออะไรทุกขสัตว์และซึ่งธรรมะอันหนึ่งคือ อกคุศลทุกชนิดทาให้แจ้งซึ่งธรรมะอันหนึ่งก็คืออรหัตผลย่อมถึงวิมุตต์โดยรอบโดยก่อนที่สุทั้งหลายการพูดกันการพูดกันอันนี้มีประโยชน์การปรึกษาการอันนี้มีประโยชน์อุปนิสัยปัจจัยอันนี้มีประโยชน์การเงียโสดมีอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้คืออะไรคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดถือ หรือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือไม่ถือมัน่นการถือมั่นแปลเป็นบาลีว่าอุปาทานโอ้เก่งมากแปลไทยเป็นบาลีได้แล้วใช้ได้แล้วนะนะอุปาทานมีกี่อย่างอุปาทานมีสี่อย่างโดยสภาวะธรรมมีกี่อย่างนะโดยสภาวะธรรมมีสองอย่างคือโลภะกับทิฏฐิเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการพูดการปรึกษาอุปนิสัยเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นจากตันหาและทิฐินั่นเองนะศึกษาพระธรรมนะศึกษาเพื่ออะไรบอกว่าเพื่อไม่มีตันหาและทิฐิเพราะตันหาเป็นเหตุแห่งพบใหม่นะโรพาเกิดเมื่อไหร่โอ้ยเกิดอีกแล้วนาะงั้นนะปฏิสนธิอีกแล้วถราถ้าโรพาเป็นเชื้อแห่งการเกิดถ้าไม่มีโลภาแค่อย่างเดียวการเกิดก็ไม่มี อัพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะท่านละโลภะได้แล้วแต่ทีนี้โลภะจะละได้ละได้อย่างไรนะต้องไม่เลิมทบทวนมาหาเรื่องปริญญาสามคืนอีกครั้งหนึ่งทีนี้พระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนเหล่าใดพูดกันอยู่ผิดใจกันมั่นมุ่งไปคนละทางเรียกว่าคุยกันคนละเรื่องอะนะ ตางยกตัวกระทบกระเทียบกันอย่างอนาระยะชนนะคนที่ไม่เจริญเนี่ยเวลาพูดคุยกันก็จะมีการพูดกระทบกระทั่งที่เรียกว่ากระแทกนะกระแทกและอะไรต่อนั่นแหละพูดกระแทกทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นนะ่ะมีความทุกข์ใจนะจ้องหาช่องผิดของกันและกันจหาช่องทางว่าฝ่ายโน้นเขาพลาดตรงไหนบ้างชนเหล่านั้นย่อมยินดีคำผิดคำพลาดคำเผลอ คำเพ้อของตันและกันอนารชนไม่ประพฤติอาร ย, ารยชนไม่ประพฤติการพูดกันอย่างนั้นนะคนดีนะักปราชญ์บัณฑิต ท, ทั้งหลายและเนี่ยนะเขาจะไม่คุยเพื่อฮะยินดีในคําที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดผิดพูดพลาดพูดเผลอพูดพลั้งไปถ้าอารยชนใครจะพูดกันนะอารยชนแปลว่าคนที่ เจริญแล้วนะก็เป็นผู้ฉลาดนะแล้วก็รู้จักการนะแว่าการพูดนั้นเวลาเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าพูดผิดเวลาเนี่ยแทนที่จะได้ดีเนี่ยอดเลยก็มีพูดแต่ถ้อยคำที่ประกอบด้วยเหตุและผลเอาเหตุได้แก่อะไรบ้างเหตุกุศลนี่เป็นเหตุหรือเป็นผลนนกุศลเนี่ยฝ่ายเหตุใช่ไ้ม อกุศลเป็นฝ่ายเหตุหรือฝ mm ่ายผลฝ่ายเหตุวิบากและกรรมชรั่วเป็นฝ่ายเหตุหรือฝ่ายผลฝ่ายผลเป็นต้นนะก็คือพูดแต่เป็นเหตุเป็นผลนะและก็ที่อารยะชนประพฤติกันแล้วก็ไม่กโกรธไม่ยกตัวมีใจสงบไม่ตีเสมอไม่รุนแรงไม่เอาหน้ารู้ชอบแล้วจึงกล่าวนะฮะ mm hmm. เรื่องที่พูดนั้นก็เป็นเรื่องที่ ประกอบด้วยประโยชน์จริงๆที่เขาพูดถูกก็อนุโมทนาในะลักษณะอย่างหนึ่งของอารยะชนหรือคนที่เจริญแล้วนะหรือว่ามีพุที่ทางจิตวิญญาณเนี่ยนะจิตใจเจริญแล้วระดับหนึ่งเนี่ยนะใครพูดถูกก็อนุโมทนากับเขา <c oughs> เมื่อเขาพูดผิดก็ไม่ลุกรานนะผิดแล้วเหยียดย้มซ้ำเติมเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ฝ่ายเอาเปรียบเขาพูดพลั้งไปบ้างก็ไม่ถือ ให้อภัยได้ไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ำเขาไม่พูดคำสะบทสาบานนะพูดคู่คำสะบทเป็นไงพูดคำปั๊บฝาผ่าเถอะอะไรลักษณะนี้เรียกว่าเป็นคาพูดที่เป็นไปกับคำสะบทสาบานการพูดของสัตว์บรุษทั้งหลายเป็นการพูดเพื่อให้เกิดความรู้นะสัตว์บรุษทั้งหลายมีใครบ้างพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยจะพูดเพื่อให้เกิดความรู้ บอกว่าการพูดของสัตว์บุรุษทั้งหลายนะเป็นการพูดเพื่อให้เกิดความรู้นะรู้อัตรู้ธรรมนั่นแหละความเลื่อมใสของอริยชนทั้งหลายย่อมพูดกันอย่างนี้นี่เป็นการสนทนาการอย่างอาริยชนคือเรียกว่าเป็นการพูดแล้วก็สร้างสรรพูดแล้วต่างคนก็ต่างต่างได้นะคนพูดก็ได้อัตรสธรถถมรมรธคนฟังก็ได้อัตรธธรถถมรมรธเป็นต้นนี่เป็นการสนทนาอย่างผู้ที่เจริญแล้ว ผู้มีปัญญารู้ความข้อนี้แล้วอย่าพูดจายกตัวว่า้นอย่าไปยกตัวจนเกินไปนะแล้วไม่ใช่พองเหมือนกับตึงอ่างนะเนาะไม่ใช่แบบนั้นก็คือให้รู้จักการกล่าวถ้าเราสามารถที่จะรู้จักกล่าวนะการใช้วาจาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะวาจานี้เป็นเป็นกุศลชั้นไหนผู้ที่ใช้วาจาได้ดีเนี่ยคนนั้นรักษาศีลทางวาจาได้ดีมากนะ ถ้าพูดวาจาดีนะการใช้วาจาที่เว้นจากโทษทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของศีลถ้าพูดวาจาแล้วคนฟังสงบเป็นต้นเนี่ยเป็นลักษณะของสมาธินะการใช้วาจาแล้วทําให้เกิดความรู้อัตถารู้ธรรมะเป็นต้นนะเป็นลักษณะของวิปัสสนาเป็นต้นไปดังนั้นการใช้วาจานั้นเป็นทั้งศีล ส, สมาธิวิปัสสนาก็ได้หรือการใช้วาจาเนี่ยนะ เป็นทั้งทานศีลและภาวนาก็ได้ถ้าใช้วาจาถูกก็เป็นทานส่วนหนึ่งถ้าใช้วาจาอย่างหนึ่งก็เป็นศีลถ้าใช้วาจาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นภาวนานั่นแหละอันใช้วาจาันี้ก็มีความสําคัญมากแล้วก็ถ้าผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ดีอันนี้สองก็ได้เสียงเหมือนหมหาเสียงพรมเลยเนาะฟังแล้วก็ผู้อะไรก็มีคนติดตามฟัง